ส่วนหนึ่งที่อย่างเมื่อวานนี้สังเกตอย่างหนึ่งที่อาจารย์ท่านให้เรื่องสัมปชัญญะสีข้อมันทําให้มองเห็นในกระบวนการในการปฏิบัติเมื่อวานรู้สึกว่าเป็นรู้สึกว่าเราไม่ได้ปฏิบัติแต่ว่าเรากำลังศึกษากําลังเรียนรู้เรียนรู้วิธีการโดยใช้ข้อที่4เนี่ยก็คือตัวตัวสอบเนี่ยมันทำให้เห็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่รู้สึกว่า เราจะต้องรู้สึกอะไรอย่างที่อาจารย์นั่นพูดเนี่ยคือแค่เป็นกลางๆมันจะไม่รู้สึกว่าสุขหรือทุกข์มันจะเห็นกระบวนการเกิดขึ้นแม้กระทั่งบางครั้งเนี่ยรู้สึกลำคัญในทําำไปที่มันเห็นมากเกินไปคือกระพริบตาเนี่ยทำไมมันบ่อยจังนะจะรู้สึกได้เพราะฉะนั้นสี่ข้อเนี่ยถึงเมื่อก่อนก็เคยฟังมาเยอะแต่ไม่ได้สังเกตเอาสี่ข้อนี้มาจับในการรู้สึกตัวเมื่อวานยังทำตัวเออมันมันใช้ได้ในแง่ที่ว่า มันทําให้มองเห็นกระบวนการที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วไอ้คำว่าสุขทุกข์หรือชอบไม่ชอบเนี่ยไม่รู้มันหายไปไหนมันยังไม่เกิดขึ้นนะอย่างเมื่อวานตอนตอนสี่โมงเย็นก็ออกไปให้อาหารหมามันเย็นมากข้างนอกแต่ก็รู้วแค่ว่าเย็นแต่มันจะไม่บอกว่าทำไมต้องเย็นหรือว่าจะต้องหาเสื้อใส่มันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วมันก็ผ่านไปก็ไปจับนุ่นจับนี่มันก็ผ่านไปเรื่อยเเพราะนั้นกระบวนการที่เกิดขึ้นในการารู้ตัวทั่วพร้อมในเรื่องของการเจริญสติเนี่ย อย่างที่คุณมลพูดเมื่อวานเนี่ยคือคำว่ากลางๆเนี่ยสาคัญที่สุดเลยเพราะว่าอย่างที่อาจารย์ท่านบอกตะเกียรแล้วจะตัดสินตัสินตัดสินว่าชอบไม่ชอบช่างไม่ชงังดีไม่ดีสุขสุ ข, สขหรือทุกข์แล้วมันจะเป็นปัญหาทําให้เราเนี่ยต้องไปแก้หรือไปใส่แบงหามา น, นเกินไปเพราะฉะนั้นอยากจะฝากไว้ว่าไอ้สีข้อที่ท่านพูดเมื่อวานเนี่ยอาจารย์พูดเมื่อวานเนี่ยอันนี้สำคัญมากนะลองไปทาดูว่าเราทําอะไรอยู่คือข้อแรกสาธะสาธะสาธะ สัมปชัญญะคือรู้เป้าหมายว่าเราทําอะไรในการเดินในการยกมือในการเดินในการทําในการกินในการพูดในการคิดอะไรก็แล้วแต่รู้ว่าเราจะทําอะไรเสร็จแล้วในขณะที่ทำเนี่ยคือสปายสัมปชัญญะคือความสะดวกสบายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมันดีขนาดไหนพยายามจะปรับเปลี่ยนให้ให้มันพอเหมาะกับสิ่งที่เราทำอย่างเมื่อวานในสังเกตดูในการในการนั่งในการในการยืน แล้วก็ในการในการเดินช่วงแรกที่ทําเนี่ยตอนบ่ายโมงเนี่ยมันจะง่วงนอนแต่ว่าจะไม่เปลี่ยนแค่ดูดูความง่วงนอนให้เห็นอาการที่ไม่เกิดขึ้นว่าเราจะพยายามต่อสู้ที่ว่าสัมพัชัญญาสัมพัชัญญาสัปปายสัมพัชัญญาคือความความพอดีในการในการจัดการกับความง่วงนอนมันจะเป็นยังไงก็แค่พิกแต่ไม่แต่ไม่ลุกแค่พิก พยายามพิกให้มองเห็นให้ชัดแล้วก็ทําต่ออาการที่เกิดขึ้นตรงเนี้มันเราให้เป้าหมายในตอนแรกคือว่าเราจะนั่งเนี่ยมันชัดเจนขึ้นแม้จะง่วงนอนแต่มันก็ชัดเจนแล้วอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะไม่ไปต่อที่ว่าทําไมต้งง่วงนอนมันจะไม่มีคําถามแต่มันจะเห็นเพราะอาการที่เกิดขึ้นว่าความสบายขณะนี้เราสามารถต่อสู้กับความง่วงได้ไหมเสร็จแล้วในขณะที่ต่อมาคือว่าโคจาระสมัมปัญญาเนี่ยคือการอาการของจิตที่เกิดขึ้นต่อจากคําว่า ชอบหรือชังมันจะตามมาคําว่าสบายหรือไม่สบายมันจะตามมาใ น, นขณะนั้นเนี่ยตอนที่เราใส่ใจตรวจสอบด้วยอสัมโมหาสัมปัญญยาเนี่ยอาการเหล่านี้เนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยว่าเราทําอะไรอยู่เพื่ออะไรแล้วสะดวกสบายไหมแล้วจิตใจในขณะนั้นเป็นกุศลหรือกุศลศเนี่ยมันไม่มีมันไ ม, มนไ่มีผลต่อการต่อความรู้สึกของเราเลยมันจะเป็นกลางด้วยส่วนมากมากกวา่าเพราะฉะนั้นการที่เรา เอากระบวนการตัวนี้สีข้อเนี่ยไปใช้ในการดําเนินชีวิตจะทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะทําให้เห็นคําว่ากลางเนี่ยได้ง่ายขึ้นแล้วคําว่าตัดสินว่าชอบหรือไม่ชอบดีหรือไม่ดีสุขหรือทุกเนี่ยมันจะค่อยจางปลายผ่านไปได้ง่ายขึ้นนะก็ขอฝากเอาไว้ขอโมทนา